แบบนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติในส่วนที่เรียกว่าอานาปนะปร ะ, ะคือหมวดที่ทรงสอนให้สังเกตจิตของเราเองเวลาประสาทสัมผัสเห็นรูปด้วยตาเป็นตน้น หรือแม้แต่ใจเหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายก็ดูว่าขณะนั้นๆมีกิเลสยังใดยังหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ใ, ใช้ปัญญาพิจารณา ม, มองเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นเห็นพยายามลดละบรรเทาสุบหบดระงับดับตามกำลังความสามารถที่จะกระทาได้ ตัววิธีการนั้นทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆอีกเป็นนั้นมากแต่สรุปว่าถ้ากิเลสเกิดขึ้นก็ให้มีโทษน้อยที่สุดมีการลุกลามน้อยที่สุดเพื่อจะลดความรุนแรงบาปกรรมต่างๆที่จะสืบเนื่องมาจากการทําอะไรไปตามหน้าของกิเลสเหล่านั้นกิเลสกลุ่มนี้ทรงสอนให้มองในรูปของสิ่งที่เราเรียกวสังโยชน์ ซึ่งตามปกติแล้วเป็นความรู้สึกที่สงบอยู่ในภายในในส่วนของความดีก็คล้ายๆกับพวกบารมีธรรมทั้งหลายที่เขาสงบอยู่ภายในพวกความดีเหล่านั้นก็เป็นเช่นเดียวกันคือว่าเมื่อจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยประสาทสัมผัสกระทบอารมณ์ข้างนอกหรือว่าใจเป็นเหนี่ยวนึกตรึกนึกเขาก็เกิดขึ้นแต่นั้นก็ทรงสแสดงไว้โดยอีกปริยายหนึ่งคือหมวดหนึ่ง ในกล่าวเรื่องสังโยชน์กันมาโดยลำดับเป็นการแสดงธรรมะจากหยาบเข้าไปหาละเอียดในกลุ่มของธรรมะที่ละเอียดด้วยกันก็มีละเอียดยิ่งขึ้นไปโดยดำลำดับแเป็นการเรียงไปตามลำดับที่พระยะบุคคลท่านละได้เด็ดขาดละกล่าวมาหข้อแรก คือสั ก, กายติที่ความเห็นเป็นเด็ดถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเราก็ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเหล่านั้นวิจิตริชาความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคือเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในคุณของพ ร, รัตนตรัยในใจจิตขาและโดย คน ท, ทั่วไปก็คือสงสัยในเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปฏิจจาการหรือกฎของเหตุผลศีลับประทประมาทการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติที่ปักใจฝังใจเอาว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องซึ่งบาตที่จริงอาจจะถูกต้องแต่ว่าการเป็นเศษสิ่งอื่นนั้นเพือสังเกตว่าจะมีความรู้สึกกำหนัดยึดติดอยู่ในสิ่งที่เราชอบ ได้จะเกิดปฏิฆะคือความไม่พอใจไม่ชอบใจในสิ่งที่เราไม่ชอบในขณะเดยียวกันเราก็ปฏิเสธผลซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักเหล่านั้นทำให้เป็นการกระทาไปด้วยอนานาจของโมหะเพราะเมื่อกล่าวถึงแวดวงของความคิดก็ปนเป์อยู่ในเรื่องของโลภาโทสะโมฆะแต่ทะละทั้งสามประการนี้ออกไปได้ก็กลายเป็น พระอริยบุคคลระดับติโรเรียปโสดาบัตปโสรดาบัต น, นั้นแปลว่าพูดถึงกระแสของปณิพันเป็นผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปซึ่งปีกษามาันชนเราอันที่จิงการลดละ ก, กิเลสเราก็ลดละ ก, กันได้ในบางระดับบางโอกาสบางกรณีบางอารมณ์ แต่กิเลสที่เคยละนั่นเองเคยดับนั่นเองมีปัจจัยบางอย่างกระตุน้นให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอีกสิ่งที่ไม่เคยโลภอาจจะโลภใหม่สิ่งที่ไม่เคยโกรธอาจจะโกรธสิ่งที่ไม่เคยหลงอาจจะหลงหรือแม้แต่เคยโกรธโลภห ล, ลงมาแล้วก็ซ้ำซ้ำซกซากอยู่อีกนั้นแสดงถึงความไม่แน่นอนของจิตใจเพราะยังไม่เข้าถึงกระแสของปฏิพัน์จริงๆ ถ้าเปรียยบเป็นคนที่ตกอยู่ในกระแสน้ำก็ไม่แน่ว่าจะประคองตัวขึ้นฝั่งได้หรือไม่อาจจะถูกน้ำบนอาจจะถูกจระเข้อาจจะถูกปลาไรา้อาจจะถูกคลื่นทำอันตรายเอาในช่วงใดชุวเดึกก็ได้เพราะคนที่ลดละกิเลสสามประเภทดังกล่าวแล้วจึงได้ชื่อว่าถึงกระแสนิพานท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตแต่ว่ากิเลสทั้งสาประเภทนี้ที่จริงมันเป็นโมหะ แล้วตัวใหญ่จริงจริงเนี่ยเกิดขึ้นจากความรู้สึกเป็นเราหรือว่าเราเป็นรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวป็ตนถ้าถามว่าใครสงสัยเราก็สงสัยใครถือมัน่นเราก็ถือมัน่นถ้าไม่มีเราแต่เราไม่รู้สึกว่ามีเราความรู้สึกว่าเป็นของเราหรือความรู้สึกว่าเป็นตัวตนของเราหรือความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้บนตัวใหญ่ที่สุดจึงมาจากตัวทิฏฐิที่รู้สึกว่า เราเป็นหรือเป็นตัวเป็นตนในความยึดถือเหล่านั้นบางครั้งมันก็มีรายละเอียดที่เจาะลึกลงไปอีกบางบางทีเราก็แยกไม่ออกพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงไปว่าบางทีเราคิดว่าเราเป็นรูปหรือบางทีคิดว่ารูปเป็นเราบางทีคิดว่าตัวเรานะ่ะมีอยู่ในตัวรูปหรือบางคิดว่าตัวรูปนั่นเองมีอยู่ในตัวเรา นั่นก็เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ปักใจลึกๆแต่ถามให้อธิบายจะยิ่งก็อธิบายไม่ค่อยได้เพราะรอะไรเพราเป็นความมืดบอดไม่ใช่เป็นตัวสัจธรรมเป็นอาการของความหลงเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีตัวตนอะไรทิ้งหลายไปเรื่อยกว่าการเกาะกลุ่มกันเท่านั้นเองมาถึงจุดเดิมก็แยกสลายได้ เราจะเรียนจากข้าวปลาอาหารจากขนมน ม, นมเนยจากอะไรก็ได้ซึ่งมันเริ่มมาจากไม่มีก่อนและการมีก็เกิดขึ้นการมีเกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยเงื่อนไขปัจจัยตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากการส่งเสริมสนับสนุนของคนหรือเกิดขึ้นจากการกระทำล้วนๆของคนแต่ในสุดสิ่งเหล่านั้นก็ต้องแยกย่อยออกไปแล้วก็กลายเป็นความไม่มี จากความไม่มีกลับไปสู่ความมีจากความมีกลับไปสู่ความไม่มีจากความเป็นจากความไม่เป็นกลับไปสู่ความเป็นจากความเป็นกลับไปสู่ความไม่เป็นมันก็เหมือนจากการไม่เกิดกลับไปสู่การเกิดจากการเกิดไปสู่การตายคือไม่เกิดคือไม่มีตัวเป็นตนวีิกมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิน้นสุดเพราะท่านที่เข้าใจความจริงท่านก็ลด ล, ละความยึดถือในเรื Ganz ่องเหล่านั้นลงไปได้ ในส่วนของกิเลสเป็นการลดละได้ทางเด็ดขาดแต่ในส่วนของธรรมะซึ่งเป็นฐานใจพระยาบุคคลระดับนี้ประกอบด้วยศรัทธาที่มั่นคงไม่ถูกโยคลอนวันไหวไม่ว่าเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามแม้จะถูกฆ่าให้ตายอยาให้ท่านปฏิเสธพระรัตนตรัยท่านก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าความตายกับตัวท่านนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเนื่องจากตัวตนมันไม่มีมากความกลัวตายจึงไม่มี ที่รากลัวตายเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นตนคือเป็นผู้ตายแต่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ตายเราก็ไม่คิดว่าเราต้องตายเพราะไม่มีตัวตนให้ตายันพื้นฐานความคิดตรงนี้จึงนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางจิตอีกเป็นอันมากที่ท่าแสดงถึงเรื่องของศรัทธามาท่านมีความศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุธธพะทธเจ้าประธรรมประสงค์และในไตรจิคขา การผู้การการะทำของท่านจะอยู่ในแวดวงของไตรจิกาเพราะนั่นจึงไม่มีการละเมิดศีลประศีนั้นเป็นเรื่องของไตรจิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้านั้นเป็นก็เรียกว่าสมุดเฉดตาปาหานคือละได้เด็ดขาดการงดเว้นก็เรียกว่าสมุดเฉตวิราชคืองดเว้นอย่างเด็ดขาดไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตไม่รักทรัพย์ตลอดชีวิตไม่ประพฤติผิดทางประเวณีตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิต เสพสิ่งเสพติดตลอดชีวิตที่ไม่ที่จริงไม่ใช่ชีวิตเดียวคือหมายความว่าท่านที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเช่นสมุทรนายก่อเป็นพระโสดาบันและท่านตายไปท่านจะเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาก็ตดัแต่ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานปิดประตูอบายหมดเพราะงั้นถ้าท่านจะเกิดมันก็เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก็แล้วแต่ท่านเกิดไปต้องก็เป็นพระโสดาบันทันที แต่สวับา น, นั่งก็เป็นที่จ่ายของท่านเราจะงเห็นคนบางคนมีพื้นฐานทางใจพิเศษมากๆแม้จะเป็นเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิธรรมสูงผิดปกติสแสดงเห็นว่าคนเหล่านี้มีวาสนาบารมีมามากท่านเรียกว่าสัตว์ที่เกิดในไตรเหตุคือ เ, เกิดด้วยอโลภพะอตโตฯโมหะเกิดก ด, ด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่ตรงไมดด่ความไม่ใจก็ไม่ขุดมวัวเศร้าหมองในขณะที่เกิด ได้กำเนิดได้รูปร่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพื้นฐานทางใจนิติแล้วทั้งก็จะหมุนบนอยู่ในโลกอย่างมากในสังสารวัตอย่างมากอีกก็เจดชาติในืบางทีอีกชาติเดียวทั้งกอนที่ผ่านคือเป็นพระหันไปแล้วกิเลสประเภทกามราคะเป็นอาการของใจที่มีความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในพวกวัตถุกรมแลวก็ จะมีกิเลสการมบางระดับที่ละไม่ได้เพราะเราจะเห็นว่าพระยะบุคคล ร, ระดับโสดาบันถ้าก็มีครอบครัวมีลูกมีเจ้าจะนำวิสาขามีลูกทั้ง20คนท่านเป็นพระยะบุคคล ร, ระดับโสดาบันมาตั้งแต่อายุสิบหกปีตั้งแต่อายุเจ็ปีแล้วแต่งงานเมื่ออายุสิกปีแต่ว่ากิเลสเป็นเหตุทาบาปแรงๆจนขนาดผิดใจติขาคือศีล ข้อแรกเนี่ยจะไม่มีต่นนั้นเองแต่กรรมราคะก็ยังมีเพียงแต่ว่าไม่ทำผิดด้วยอำ น, นาจของกรรมราคะารื่งศาลชนตลาจะสังเกตว่ากิเลสพวกนี้ถ้าแรงแล้วก็ทำให้เราทําผิดได้แต่ถ้าไม่แรงเท่าไหร่อย่างมากก็เป็นแค่มโนทุจริตคือถ้าเอาไปเหนียวนึกตรึกนึกมันก็เป็นมโนทุจริต แต่เมียวนึกตึกึกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเป็นตะกรใจที่เรียกว่าเป็นสังโยชน์หรือเป็นอนุใสโยกิเรประเภทนี้พระอนาคามีแตละได้คุณตังเกตว่ามีพระญาติบุคคล อ, อีกอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าสักกตถาามีหรือสกิทาามีแปลว่าผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวหมายความว่าท่านตาจากชีวิตนี้แล้วไปเกิด เป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทวดาแล้วก็จะนิพพานในชาตินั้นคือไม่ย้อนกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกแล้วท่านละกิเลสได้เช่นเดียวกับประสดติปัันท่านบอกราคะโทสะโมหะนั้นลดลงกว่าประสดติัปวันแต่ลดลงเท่าไหร่นี้ไม่ทราบแต่จากการศึกษาจากการพบในพระคัมภีร์ ยังไม่พบพระรยบุคคลระดับนี้มีครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามก็แสดงว่ากรรมราคะจางไปจนถึงไม่มีความต้องการในทางมีครอบครัวแต่ไม่ใช่หมดเพราะกันละได้เด็ดขาดนั้นก็จึงอยู่ที่พระนาคามีที่แปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกต่อไป เมื่อท่านตายไปแล้วจะบังเกิดเป็นพรหมจะเรียกว่าเป็นอยู่ในระดับสุทธาวาสแต่อายุจะนานมากๆคือเทียบกับโลกมนุษย์แล้วก็มนุษย์จะเทียบยังไงมันก็ไกลกันกนกกิเลสประเภทโทสะที่ไม่ใช่แรงคือไม่ใช่ถึงโกรธถึงประทุษร้ายถึงภัยอาฆาตปยาบาทพวกนั้นก็ละได้กันตั้งแต่ตอนตอน้ตนๆนะแต่ประเภทหนึ่งรู้สึกรำคาญหงุดหงิด รู้สึกมันไส้อะไรตั้งแต่ตอนนี้เป็นอาการภายในใจก็ไม่ถึงก็แสดงออกมาบาลีตัาช้คำวมาปฏิคัระดับปสุดาบันท่านละได้ระดับพระอนาคามีท่านละได้เด็ดขาดพระโสุดาบันนั้นก็ลดลงมาแต่ถ้ายังมีความยินดียินได้เพราระงั้นเราจึงพบว่าปสุดาบันนั้นบางทีลูกเต้าตายไปก็ร้องหอบร้องไห้เหมือนกันมีการเซลเสียใจเหมือนกัน เพราะกิเลสนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ระับใดที่กิเลสยังไม่หมดความทุกข์ก็ต้องเกิดเพียงแต่ว่าเกิดระดับใดแต่นั้นรท่านทิละได้ครบ5่าอย่าง ấy, ก็เรียกว่าเป็นพระาาราขามีสังโยชน์ที่ละเอียดลงมาอีกคือข้อที่6กเพิ่งสังเกตว่าการบรรยายนั้นเป็นการบรรยายตามลําดับที่ท่านเรียงไว้ แต่ว่าการเกิดภายในจิตใจเรานั้นไม่แน่คืออะไรเกิดก่อนคือหลังเราก็ไม่ถูกก็แล้วแต่ว่าจิตใจของใครที่มีความโน้มเอียงไปในทางใดเชื่นว่ารูปอย่างเดียวกันเนี่ยคนบางคนอาจจะรู้สึกยินดีรู้สึกการมาราคะเกิดขึ้นรู้สึกมีรูปราคะเกิดขึ้นบางคนอาจจะเกิดปฏิฆะบางคนอาจจะเกิดวิจกิฉาคือสงสยัย บางคนอาจจะเกิดที่มั่นถึกมันบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆมัเป็นการแสดงเห็นว่าพื้นฐานทางใจเรานั้นไม่เหมือนกันในรูปเดียวกันเสียงเดียวกันกลิ่นเดียวกันรสเดียวกันตัณัาเดียวกันความรู้สึกเราก็แตกต่างกันออกไปในตำนานตรงครับอาจจะเกิดธรรมะก็ได้ในขณะที่คนอื่นก็เกิดกิเลสเราอาจจะเกิดธรรมะก็ได้ หรือในขณะที่คนอื่นก็เกิดธรรมะเราอาจจะเกิดกิเลสก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นเวลาท่านเรียงเนี่ยท่านจึงเรียงตามลำดับความยากความละเอียดของกิเลสในกลุ่มที่ละเอียดด้วยกันรันคาว่ารูปประราคะถ้าเรียงตามลำดับอย่างนี้หมายความม่าอยู่ลาดับที่หกของกลุ่มสังโยชน์อย่างนี้ โดยจริงๆแล้วท่านหมายถึงจิตที่มีความกำหนัดพอใจติดใจในสุขเวทนาทั้งหลายในความเป็นพรมในความเป็นอะไรเนี่ย เ, เรียกว่าในรูปฌานในผลทางจิตที่เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญสมาธิเขาเรียกว่าติดสุขในฌานแล้วก็เป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความปิติปราโมชจริงแต่ว่ามันเป็นภพมันเป็นชาติ มันมีภพมีชาติก็แสดงว่ามีกิเลสอยู่คือยังไม่หมดกิเลสแต่งสิ้นเชิญมันมีภพมีชาติก็มีแก่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายก็หมุนวนก็สู่สังสารวัตรเหมือนเดิมเราจึงพบพรมธนาลาราบทกาลามโคตรทุกดาบทรามาปุตติดีตอาจารย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดานะเป็นพรมที่ได้รูปฌานอรูปฌาน แต่ว่านตายแล้วท่านก็มีภพไปนะทั้งไปเกิดเป็นรูปประพรมเป็นอรูปประพรมถ้ายังมีภพมันก็มีชาติไม่ชาติมันก็ไม่หมดหลุดพ้นจากทุกข์มันก็อยู่ในกลุ่มของกีเลสถ้ามองจากสายสูงสุดคือมองจากพระอระหันต์ก็เป็นทุกข์แต่มองจากเราๆมันก็ดีเพราะว่ามันเป็นความสุขความส ง, งบดีกว่ามนุษย์มากมาย เพียงแต่ว่าไปเทียบกับพระรรยะไม่ได้เพราะการเทียบความสุขหรือเทียบความทุกข์หรือเทีย บ, ค ว, ยบความสูงความต่ำขึ้นอยู่กับเอากับเอาอะไรมาเทียบกับอะไรเอาใครมาเทียบกับใครอย่างระดับนี้ท่านพูดถึงเรื่องระดับพระอระหันต์แล้วเพราะความกาหนับยึดติดอยู่ในรูปฌานหรือติดสุขในสมาธิหรือติดสุขในฌาน นั่งสมาธิปรับได้สมาธิก็เสวยสุขในสมาธิอย่างนั้นเองทีละสองชั่วโมงสาชั่วโมงก็ไม่รู้ก็ทําไม่ได้ตลอดชีวิตกิเลสไม่กรุ่มรุมไม่รบกวนอะไรเราแต่ตายอย่างมีสมาธิอยู่คือสมาธิยังไม่เสื่อมท่านก็บังเกิดเป็นรูปประพรมมันก็เป็นรูปประราคาสมาธิที่ในข้อที่เจดเนี่ยแต่เรียกว่าอารูปประราคา ธาตุโดยทั่วไปหมายความว่าเป็นองค์ธรรมเพียงข้อเดียวหมายถึงความพอใจติดใจในสุขเวทนาคำว่าอารูปคือไม่มีรูปได้แก่นามนามคือความรู้สึกภายในใจของเราอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตในการกำหนดง่ายๆโดยไม่ต้องอ่านหนังสือว่าสิ่งที่เป็นรูปก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย อะไรก็ตามถ้าเราสัมผัสสิ่งเหล่านั้นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งนั้นเราก็เรียกว่ารูอะไรก็ตามที่เป็นสัมผัสทางใจเป็นความสุขก็ดีเป็นความทุกข์ก็ดีเป็นปีติเป็นปราโมทเป็นเมตตาเป็นอะไรก็ตามนะ่ะเรียกเรียกว่านามใจมันก็เป็นนามไม่มีรูปร่างสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนามซึ่งเราสัมผัสได้ด้วยนามด้วยกันอันนี้หมายถึง ถ้าเรียงลำดับอย่างนี้ก็หมายถึงสุขเวทนาทั้งหมดที่นั่งสบายนอนสบายก็ะติดสบายนะฮะติดตัวสุขแต่ถ้าเรียงลำดับอย่างนี้หมายความมาอยู่ลาดับที่เจ็ดของกลุ่มธรรมหมายถึงอรูปฌานซึ่งเป็นทั้งเหตุและก็ผลตัวเนยจะเรียกว่าอารูปกรรมาฐาน เป็นหนึ่งในกลุ่มของสมถะกรรมฐ า, านแต่ตามปกติแล้วท่านจะไม่สอนในตอนตอน้ตนๆจะสอนเมื่อคนบรรลุฌานไปแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของอรูปกรรมฐ า, านก ร, รูปนั้นก็ติดในรูปเพื่อจะดึงความยึดติดในรูปก็มามองในสิ่งที่ไม่ใช่รูปต่านเรียงไว้เป็นสีระดับ แแรกก็นึกถึงอากาศพราอากาศนั้นหาที่สิ้นสุดไม่ได้เราเห็นว่าอากาศนั้นเบิ้วงวางที่จริงอากาศเป็นรูปธรรมเพราะสัมผัสกับกายเราเพียงแต่เป็นรูปธรรมที่ละเอียดเราจับต้องไม่ได้ก็จะมองเห็นความเบลวงวางหาขอบเขตจุดหมายของอากาศไม่ได้ ใจที่เคยไขว่คว้าปรารถนาพอใจที่ใจในอากาศปกคลดลงไปคือไม่มีที่สุดเห็นว่าไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคนจะไปเกาะ อ, อยู่ที่วิญญาณซึ่งถือวิญญาณ น, นั้นเป็นของเชื่องแท้เป็นของที่เดินทางจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งจากพบสู่พบอะไรแต่ไรอย่างความชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในาศาสนาพระแต่ของพู้เราเองก็คิดแนวนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน เพราเห็ น, นว่าอานันตังวิญญาณวิญญาณนั้นไม่มีที่สิ้นสุดหาขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไร้ขอบเขตไร้จุดหมายหาที่สุดไม่ได้หาที่ตั้งเบื้องต้นที่สุดไม่ได้ใจจะข่อยคว้าลดน้อยลงแต่มันก็มีตัวข่อยคว้านะฮะตัวที่ยึดติดว่าเป็นวิญญาณปัญญาพิจานาเห็นว่าวิญญาณที่จริงมันไม่ได้เกิดธรรมดา อย่างเช่นความรู้ทางตาที่เกิดขึ้นหนึ่งเราต้องมีประสาทตาที่ไม่พิการสองต้องมีแสงสว่างสามต้องมีรูปที่ผ่านมากระทบประสาทตาเรารูปถ้าไกลเกินไปเราก็ไม่เห็นชิดชิดตาเลยเราก็ไม่เห็นมันต้องมีช่องว่างให้เราคิดเพราะฉะั้นเราจะเห็นว่าแม้ครบสามอย่างแล้วถ้าไม่มีความใส่ใจสนใจที่จะดูเราก็ไม่เห็นรูปเหมือนกัน แสดงว่าอะไรแสดงว่ารูปนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นมาอะไรลอยลอยเขมองเห็นในแง่ของความเป็นเหตุปัจจัยวิญญาณนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวเองล้วนแต่ที่จริงแล้วเป็นการประกอบการของสิ่งทั้งหลายเราก็เรียกว่าวิญญาณเขมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่ควรแก่การยึดมัน่นถรือมั่นแบบเมืก่อนมนกคว้ากันมากๆแล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆ นี่ก็ถือว่าเป็นชาติอีกระดับหนึ่งพอถึงระดับหนึ่งท่าเรียกว่ามีก็ไม่เชิงไม่มีก็ไม่ใช่ท้าอุปมาให้ดูเหมือนกับเราเทน้ำในบาตรชิงแต่ถามมาในขณะนั้นมีน้ำไหมเราก็ตอบว่ามีคือยังเปียกอยู่ถามมาดื่มได้มามมันก็ดื่มไม่ได้ เราปฏิเสธว่าไม่มีน้ํายังไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ดื่มไม่ได้พูดทั่ ว, ว, วไปเราก็บอกไม่มีน้ํทาทั้งๆที่จริงๆแล้วพอมีนะเพราะยังไม่ได้เช็ดแก้วเช็บาทอันแนแห่งวันลักษณะความยึดติดของท่านเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะไม่ยึดติดแต่ก็มีความรู้สึกอยู่นิดๆเพราะมันมันมีอะไรอยู่จะมีก็ไม่เชิงจะไม่มีก็ไม่ใช่ถึงนั้นความว่าการมอมก็เลยไปถึงตัวถึงตนด้วย ทำให้รู้สึกที่เคยยึดบั่นถือบ้านในตัวตนมันก็ลดน้อยถอยลงไปแต่ในขณะเดียว ก, กันก็เป็นพบและเป็นสุขที่ประีตมากๆคือจะไม่เกาะเกี่ยวด้วยรูปวัตถุมันมันเป็นนามธรรมล้วนๆที่เวลาเราสวดเราพูดแผ่ปุญญสิดาที่ผู้เรามีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสีน 4, มันก็พูดกันตรงนี้ หมาความว่าแผมเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่จตุเวกอโวการจตุโวการปัจจโวการอะไรต่เนี่ยพวกขันห้าก็คือสิ่งมีชีวิตทัท่วไปมีครบหมดทั้งรูปเวทนาตัญญาตั้งขารปิญญาพวกขันสี่ก็คือพวกนี่แหละพวกอรูปปรมหมาควาเมเวลาท่านตายไปแล้วเนี่ยท่านก็เป็นอรูปปรม เป็นผลของอรูปฌานเป็นกลุ่มพลังงานล้วนๆคือกลุ่มของจิตไม่ได้มีรูปร่งางแต่ได้มีขันธ์สี่คือมีเวทนาสัญญาตั้งขารตวิญญาณเราจะเหว่าเวทนานั้นก็เป็นเจตเวทนาสัญญาก็เวทนาสัญญาตั้งขานก็เป็นเจตสิกก็สร้างขึ้นมาเป็นรูปของวิญญาณ ความนั้นก็มีบุญมีบาปมีกุศลมีกุศลอยู่นะฮะทำให้ท่านจึงบังเกิดในภพเพราะว่าตราบใดที่กิเลสยังไม่หมดก็ต้องเกิดในภพตรงนี้เองก็ทำให้เกิดขันสี่คือไม่มีรูปประคันตรงนี้ท่านที่ได้เจริญสมาธิมาจนติดในรู ป, ปราคาคานี่แหละ มาถึงระดับเดิงนี้ท่านท่านท่า น, านจะเจริญสมาบัติอาจจะแปดหรือเจ็ดก็แล้วแต่ท่านแล้วแตท่ท่านบรรลุอย่างอาจารย์ของพระพุทธเจ้าคนกอ่อนอรดาบทนั้นมีเจ็ดอุตตกาดาบทนั้นมี8ดท่านก็ฆ่าสมาบัติได้ทั้งคู่สมาบัติมันก็นั่งนิ่งๆเหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งวางไว้เฉยๆไม่รับรู้อารมณ์ อ, อะไรข้างนอกฝนตกฟ้าร้องคว้าผ่าอะไรแต่ ไ, ไม่ได้ยินไม่รู้เรื่อง ในขนาดนั้นดูแล้วคล้ายๆไม่มีชีวิตโดยทัรมไปแต่ก็มีชีวิตนะพลังงานภายในกายทำงานน้อยลมหายใจก็แผ่ๆวๆปวดปรนปลือรางกายดารงอยู่ได้แต่นั้นเดงไม่หายใจมากๆอาหารรายๆก็ตัดคล้ายๆกับประสาทสัมผัสทั้งหลายนีหยุดจนถึงเขาเรียกว่าสัญญาเวดายตะนิโรธคือดับ ทั้งสัญญาทิ้สัญญาเวทนาคําว่าสัญญาเวทนานี่ที่จริงมันเป็นเป็นสังขารขันคือสิ่งที่ปรุงจิตเมื่อดับจิตมันก็ไม่ปรุงจิตมันก็สงบอยู่ตลอดระยะเวลาที่ท่านกําหนดก็แล้วแต่ท่านจะกำหนดเท่าไหร่มันก็กลายเป็นสุขเวทนาที่ท่าสเสรืยแต่ท่านพอจะติดใจยอยู่ในสุขเวทนาเหล่านั้นมันก็กลายเป็นรูปปรัการูปปราาักค่ะเป็นความรู้สึกสงบ เย็นเพ่งนิ่งอยู่กับอารมณ์เรานี่ยสหรับท่านก็คืออรูปราคะอรูปราคะขงกายเป็นความกาวหนักกับความยึดติดแม้จะระดับที่ละเอียดก็ตามก็นําไปสู่พบดูเราเห็นว่าพระยาบุคคลสามระดับแรกเนี่ยท่านยังสู่พบเท่า น, นั้นเลย ปโสรดาบันกับสศกกาตาคามีนั้นท่านเรียกว่าเดวมนุสเซสุสังสารโตท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราจะตั้งปัญหาถามว่าเวลาเนี้ยมีไหมปโสดาบันกันสมัยพระพุทธเจ้าเรานที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์นั้นหลักฐานจริงๆไม่พบว่ามาเกิดเป็นโลกมนุษย์แต่ถามว่าถ้าท่านเกิดเป็นเทวดาแล้วจะจุติมาในมนุษย์ได้หรือไม่เนี่ยบอกก็ยังไม่ถึงเวลา เพราะจริงๆเมื่อเทียบอายุโลกแล้วเนี่ยโลกวันเพิ่งผ่านเนไม่กี่วันเองสมบัตพวกเทวดาเท่าไหร่แล้นอายุท่านกระผมไม่สิ้นจนถึงก็ต้องมาจุติแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันใ น, า ศ, นาศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นก็ไม่แน่หรือว่ า, าศาสนาพระพุทธเจ้าของเราแต่ต้องการจะเกิดในโลกมนุษย์ท่านเลือกเกิดได้จำนองแค่แค่เกษตรฐีเลือกเลือกพักที่ไหนก็ได้ประเงินเั็นแยะบ้างๆนึกจะนอนสนุกนอนในวัดก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไร ถ้านที่มีบุญมากก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ในที่นี้ทรงสอนให้มองเห็นโทษเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ยึดมั่นหรือมั่นในตัวพบเพราะเป็นรูปราคะประเดียรูปราคาประปฏีแล้วก็เป็นสังโยชน์เป็นตัวกําหนดให้จิตมีความกําหนัดในสิ่งแม้จะละเอียดมากๆนะแต่มันก็เป็นพบถึงท่านสาวชนทั้งหลายจะเห็นว่าแล้วก็มีผัสสะคือการกระทบ มีเวทนาคือสดสุขเวทนาแล้วก็มีตัณหาคืออยากได้ในตัวสุขก็มีอุปาทานคือยึดในสุขพอยึดมันก็มีพบถ้าท่านยังไม่ปล่อยท่านก็ไปเกิดเกิดเป็นชาติแม้จะประณีตคือเกิดถึงพรหมโลกแต่พรหมโลกก็คือพบซึ่งหมายความม า, อ ย, าอย่างน้อยตัวนี้คือติดอยู่ในตังสารวัต อีกหนึ่งชาติแต่ก็นานมากๆถ้าถามว่าปลอดภัยไหมจริงๆมันก็ปลอดภัยในทางสารวัตรเพียงแต่ว่าเป็นการแสดงธรรมจากจุดสุดยอดมาคือยังไม่ถึงอรหันต์การบรรลุมรรคผลเป็นประานท่านก็ถือว่ายัางเป็นสิ่งที่ต้องละอยู่นั่นเองเป็นการแสดงถึงเส้นทางของการดําเนินของจิตที่มีความสงบระดับขึ้นไปโดยลําดับ ต่อนนี้นิายก็ขอให้ตั้งใจทำความสมุบสุขต่อไป